บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปจุดประสงค์ของท่านท่านเจตุกันณีมานพบนั้นต้องการที่จะให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงสันติบทคือทางแห่งความสงบระงับแก่ท่านเฉพาะในกรณีนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้รับสั่งว่า เธอจงมองเห็นเนคขมะเป็นทางเกษมมองเห็นกามเป็นทางแห่งความเดือดร้อนทายถอนกิเลสเครื่องกังวลออกไปจากใจหรือใช้สำนวนมาลีว่ากิเลสเป็นเครื่องกังวลอย่าได้มีแก่ท่านเมื่อนั้นท่านจะประสบสันติบทคือทางแห่งความสงบหรือบทที่จะให้เกิดความสงบ สันติบทในเชิงที่เป็นผลนั้นหมายถึงบทแห่งธรรมคือพระนิพพานแต่ในเชิงเหตุแล้วก็หมายถึงหลักการประพฤติปฏิบัติเพื่อขัดเกลาจิตใจของบุคคลนั้นนั้นให้มีความสงบประนีตขึ้นไปโดยลำดับและจะสัมผัสความสงบขึ้นไปโดยลำดับ เช่นเดียวกับการรับประทานอาหารอิ่มขึ้นไปโดยลาดับการอาบน้ําสะอาดขึ้นโดยลาดับการทูบพื้นความสะอาดเพิ่มขึ้นโดยลาดับนั่นเองแต่เนื่องจากคนเรามีกําลังในด้านต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งคืออินเรีย์แตกต่างกันอยู่ประยายแห่งธรรมะที่ทรงแสดงในโอกาสนั้นนั้นจึงไม่ค่อยเหมือนกัน เพราะทรงแสดงธรรมเพื่อผู้ฟังรู้ยิ่งเห็นจริงในสิ่งที่เขาควรรู้ควรเห็นและสามารถรู้สามารถเต็นแต่ในขณะเดียวกันจะทรงแสดงโดยปริยายอย่างไรก็ตามแต่ว่าเป้าหมายนั้นคือธรรมะเหล่านั้นจะต้องเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนเป็นนั้นมากเพื่อความสุขแก่ช น, ชนเป็นนั้นมากเพราะทรงแสดงประกาศกล่าว ด้วยจิตคิดอนุเคราะห์ต่อชาวโลกเป็นประการสาคัญดนั้นในการศึกษาและปฏิบัติธรรมะจึงไม่ควรมองไปในจุดใดจุดหนึ่งโดยเฉพาะเพราะตัวเหตุที่ทรงแสดงในแต่ละครั้งละคราวนั้นเป็นการแสดงไปตามพื้นเพ ข, ของคนดังกล่าวแล้วหนึ่งพูดอย่างหนึ่งอาจจะรู้เรื่องแต่พูดอีกอย่างหนึ่งอาจจะไม่รู้เรื่องก็ได้ พูดอย่างไรเขารู้เรื่องแล้วเกิดความสนใจน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติก็พูดอย่างนั้นแต่เวลาไปประพฤติปฏิบัติแล้วผลก็จะออกมาในลักษณะอย่างเดียวกันคือจะได้สัมผัสสิ่งที่เป็นประโยชน์เกือ้อกูลและความสุขตามสมควรแก่ฐานะนั้นๆนะลปฏิปทาคือข้อปฏิบัติที่จะก่อให้เกิดผลเป็นสันติบทคือความส ง, งบขึ้นมาได้นั้น จึงทรงจำแนกแสดงไว้โดยนิยาต่างๆจากหยาบเป็นกลางจากกลางเป็นละเอียดขึ้นไปแต่ว่าแต่ละขั้นตอนของการศึกษาและการประพฤติปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือในการประพฤติปฏิบัติคนก็จะได้รับความสงบตามสมควรแก่ฐานะนั้นๆอย่างในกรณีนี้ทรงมองทรงสอนให้มองสองอย่าง คือมองเหตุแห่งความกระเสมกับมองเหตุแห่งความเดือดร้อนให้ไปจักแก่ใจของตนเพราะถ้าก็เรามองกันในแง่ของความเป็นจริงแล้วสิ่งทั้งหลายก็ล้วนเกิดขึ้นมาจากเหตุแต่จะสาวไปถึงเหตุที่มันลึกจริงๆว่าเหตุที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ไหนเราก็จะพบว่ามันอยู่ที่ใจของคน ที่ประกอบด้วยกิเลสใจนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งที่มาประกอบรา ะ, ะตัวเหตุหลักและเหตุพื้นฐานจึงอยู่ที่กิเลสกับธรรมะหรือกุศลกับอกุศลนั่นเอง<ด>สิ่ง<ด>เราอื่นเราถือว่าเป็นปัจจัยที่เข้ามาประกอบมีกาลังมากบ้างน้อยบ้างแต่ถ้าหากว่าเหตุหลักไม่มีเหตุประกอบก็เกิดขึ้นมาไม่ได้ จำนองว่าโครงสร้างของหลังคาไม่มีเราจะมุงกระเบื้องก็มุงไม่ได้ปัจจัยจึงเกิดขึ้นมาไม่ได้ในสายของอกุศลนั้นทรงสอนไปที่เหตุสามประการจำนวนที่ท่านใช้ภาษาพิธามว่าโลภะเหตุโทสะเหตุโมหะเหตุโลภะเหตุก็คือเหตุที่เป็นโลภะ คือใจที่กระสันอยากในอารมณ์ทั้งหลายก็ขึ้นอยู่กับว่าอยากมากหรืออยากน้อยการเรียกชื่อกิเลสเหล่านั้นก็แตกต่างกันออกไปตามความมากน้อยของกิเลสเหล่านั้นจะเป็นอย่างเบาๆอาจจะเรียกว่าพอใจเพลิดเพลิ น, เเนยินดีชอบใจก็ได้ แรงแรงเราอาจจะเรียกว่าตันหาเรียกว่าอภิชาวิสมะโลภะคือความเพ่งเล็งโลภอยากได้เรื่อยไปก็ได้หรืออาจจะเรียกว่าความละโมบที่เป็นภาษาไทยหรือตะกะตะกรามก็ได้แต่วันนั้นก็คืออาการที่เกิดสืบมาเมื่อสาวไปถึงก้นบึ้งของเหตุก็คือโลภะนั่นเองความหลากหลายข้างบนไม่เป็นสิ่งที่ควรไปคำนึงให้มากนัก อาจจะเกิดความสับสนในด้านความคิดขึ้นมาได้ทำนองเดียวกับการมองต้นไม้ต้นหนึ่งแต่เรามองจากข้างปลายมันก็มากมายเหลือเกินแต่้ามองจากข้างต้นก็จะพบว่าจริงๆมันก็อยู่ที่รากของมันตากว่ารากไม่มีต้นก็ไม่มีต้นก็ไม่ ม, ก ม, มีกิ่งใบไม่มีภายในต้นตอจริงๆมันจึงอยู่ที่รากของมันส่วนโทษสเหตุนั้น เหตุคือโทสะได้แก่จิตที่คิดประทุษร้ายซึ่งอาจจะพูดเบาๆไม่พอใจไม่ยินดีไม่ชอบไม่เพลิดเพลินจนถึงกับระอาจิงชังอึดอัดขดัดข้องหงุดหงิดก็แล้วแต่จะเรียกจนถึงประทุษร้ายล้างผลาญทำลายล้างก็ถือว่าล้วนแล้วเป็นอาการของโทสะด้วยกันทั้งนั้น พอมาถึงในชั้นของโมหะเหตุคือเหตุคือโมหะพอขนาดมืดบอดจนไม่รู้เหตุผลอะไรเลยก็ได้ไม่รู้บาตรู้บุญอะไรไม่เห็นคุณพ่อคุณแม่ชนิดที่เราเรียกว่าแมาลงมาา้าวิ่งข้าวของไฟนั่นก็คืออาการของโมหะที่ไม่รู้ว่าไฟร้อนแล้วก็บินเข้าไปแล้วก็ตาย ต, ตัวอื่นก็บินตามไปเพราะแต่ละตัวนั้นก็เป็นประเภทโมหะด้วยกัน ลักษณะอย่างนี้ถ้าเรามองให้เห็นเป็นรูปรธรรมก็คล้ายๆกับคนตาบอดแล้วก็เดินตกบอ่อคนแรกก็ตกคนสองก็ตกคนสามก็ตกตก็ตกเรื่อยๆไปเพราะความไม่เห็นผลทางไม่เห็นเหตุผลในการดำารงชีวิตแต่ในชั้นที่เจอืเจอจางเบาบางก็มีให้เห็นอยู่ภายในจิตของบุคคลเช่นอาการมือลอยอาการฟุ้งสัน้นอาการหดถู การลังเลต่างๆนี่ถือว่าเป็นอาการของโมฆะแต่มันก็จางๆเบกบางไม่ค่อยจะรุนแรงอะไรเท่าไหร่เพราะนี่คือตัวเหตุใหญ่ที่พร้อมจะแตกกิ่งก้านสาขาออกไปเป็นรูปของอกุศลเป็นอันเด็กกรปริยายที่ท่านพูดกันในตอนหลังว่ากิเลสพ5น0ตันหา108อีกเหตุหนึ่งก็คือกุศลเหตุที่เป็นกุศล ยังใช้คาว่าอโลภาเหตุอโทส า, าเหต์อโมขาเหตุอโลพาก็คือใจที่ไม่โลภไม่ยินดีไม่เพลิดเพลินในรมทั้งหลายโดยอาศัยปัญญาเป็นเครื่องพินิษฐพิจนาให้จะมีความปรารถนาต้องการก็ควบคุมเอาไว้ได้ไม่ถึงไม่ถึงก็ล้าเขต่ล้มแดนออกไปเป็นทุจริตทางกายทางวิจารจนถึงก็เสียสลั สิงของของตนซึ่งลักษณะของความไม่โลภมันก็มีลึกขึ้นไปโดยนําดับก็ น, นี้อย่างที่ท่านแส ด, แดงอาการของทานเอาไว้ที่แบ่งออกเป็นบา ร, รมีสามชั้นเช่นได้ว่าท่านไม่ติดใจอะไรแม้แต่ชีวิตชนิดบารมัทธบารมีทานคือสละได้แม้แต่ชีวิตของตนไม่ต้องกล่าวถึงอวัยะวะ ไม่ต้องกล่าวถึงทรัพย์สินเงินทองพระแม่ชีวิตทังก็สละได้อยากขึ้นไปกว่านั้นก็อาจจะสละได้เฉพาะส่วนที่เป็นอวัยวะสละดวงตาเกิดสละอวัยวะต่างๆเป็นต้นซึ่งก็น้อยคนที่จะทําได้แล้วก็สละทรัพย์สินเงินทองสละทรัพย์สินเงินทองก็มีลึกออกไปเป็นชั้นๆในตัวของการสละนั่นเองคือตามบุคคลในวิเคราะห์กลับไปหาจิตก็จะเห็นว่า อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงการให้ทานว่ามีทาตทาน ส, สหายทานสามีทานธาสุทานคือใจมันเสียสละเหมือนกันแต่เอาของเหลือกินเหลือใช้ของที่ตนไม่อยากกินไม่อยากใช้ก็ไปให้เขาเห็นบริจาคผ้าที่ใช้แล้วอาหารที่รับประทานแล้วไปให้แก่บุคคลอื่นของเหลือกินเหลือใช้ในด้านจิตใจเราก็ถือว่าเป็นทานและก็เป็นความเสียสละ ประกอบด้วยความไม่โลภในชั้นหนึ่งเป็นบุญเป็นกุศลในชั้นนั้นแต่แสดงว่ายังมีความขวงความสนิทอีกชั้นหนึ่งหรือหลายๆชั้นเราทรงแสดงประเภทที่เรียกว่าสหายทานเอาไว้คือของตนเองใช้สอยอย่างไรก็ให้แกบุคคลอื่นแก่กันและสนับแบ่งกันกินแบ่งกันใช้แสดงว่า ของนั้นตนก็พร้อมที่จะใช้พร้อมที่จะรับประทานพร้อมที่จะบริโภคแต่ก็พร้อมที่จะแบ่งให้บุคคลอื่นด้วยซึ่งก็หมายความว่าความไม่โลภนั้นได้มีปริมาณสูงขึ้นจนเสียสละแม้แต่ของที่ตนกินตนใช้ให้แก่บุคคลอื่นในชั้นที่สามซึ่งลึกลงไปก็เป็นอาการของใจที่ความโลภเริ่มจางไปอย่างมาก จนขณะสละได้แม้แต่สิ่งที่ตนหวงแขนหรือสิ่งที่ตนเองก็ไม่ใช้ไม่บริโภคกลับไปให้แก่บุคคลอื่นสงเคราะห์บุคคลอื่นหรือบูชาคุณบุคคลอื่นที่เราเรียกว่าสามีฐานเมื่อมองวิเคราะห์ตรวจสอบดูที่ใจก็จะเห็นว่าใจที่เป็นเหตุให้คิดแล้วกระทาออกไปในลักษณะ น, น, นั้น มีคุณภาพที่แตกต่างกันแน่นอนเป็นกุศลธรรมด้วยกันแต่ปริมาณของกุศลแตกต่างกันในชั้นที่ลึกๆขึ้นไปกว่า น, นั้นจนถึงออกมาแทนที่จะสละอยู่ในกรอบของโลภะรือความสนิทมันสละเลยไปจนถึงโทสะด้วยเพราะใดเพราะว่าในการ ที่บุคคลสนิ่ห่วงแขนเอาไว้นั่นให้สังเกตดูที่ใจกันตัวเองจะเห็นว่าบางครั้งไม่ใช่หวงแขนเพราะสนิทหรือเพราะเราโลภสิ่งเราอยากได้อยากมีสิ่งเหล่านั้นเอาไว้เป็นของเราแต่เราไม่ให้เพราะเราไม่ชอบคนที่รับเนั่นเองคนอื่นขอให้คนนี้นขอไม่ให้แสดงว่าอะไรแสดงว่าโดยเพื่อนใจจริงๆก็มี ไม่มีโลภะรุนแรงจนถึงก็หวงเอาไว้ถึงให้ได้สำหรับบางคนแต่พอถึงบางคนเราไม่ให้เราแสดงว่าเราไม่ชอบเขาไม่จะเราหวงของแต่เราไม่ชอบคนที่รับแต่เปลี่ยนคนรับเราก็พร้อมที่จะให้ถึงก็หมายความว่าไอ้ต้นตอของความคิดที่เป็นมูลจริงๆนั้นมันเป็นโทสะการที่บุคคลให้อภัยแก่บุคคล อืนซึ่งสร้างความไม่พอใจให้แก่ตนได้ท่านจึงเรียกว่าเป็นอภัยทานคือการให้อภัยทีนี้พออภัยไปแล้วเวลาจะสงเคราะห์ด้วยวัตถุสิ่งของแก่บุคคลนั้นก็สงเคราะห์ได้สงเคราะห์ลูกหลานญาติพี่น้องก็ก็ได้เพราะโทสะภายในใจนั้นได้ถูกขจัดไปแล้วส่วนโลภไม่มีปัญหามาตั้งแต่ตน้นเพราะเราให้คนอื่นได้มีบางคนแต่นั้นเองที่เราให้ไม่ได้ นันจะเห็นถึงความประณีตตึกซึ้งของจิตที่ถูกปรุงแต่งด้วยกิเลสอยู่ในระดับที่แตกต่างกันและพอแสดงออกมาก็แสดงออกมาในพื้นฐานที่ไม่เหมือนกันที่ท่านใช้มักใช้คําว่าอีนัมจิมาปณีตะคือหยาบกลางประณีตแต่เรียกกิเลสท่านก็เรียกว่ากิเลสที่ล้นออกมากิเลสที่กร่มรุมใจกิเลสที่สงบอยู่ภายในใจ ในด้านของอโทสาเหตุคือเหตุคืออโทสักก็มีลักษณะเช่นเดียวกันอโทสะคือความไม่ประทุษร้ายที่แรงนั้นที่แสดงออกมาในทั่วทั่วไปคือไม่ลึกซึ้งมากนักนั้นก็ได้แก่การงดเว้นในชั้นสีนแต่ก็จะลึกขึ้นไปโดยลำดับคือเข้าไปถึงจิตใจของบุคคลผู้นั้นโดยลำดับ เห็นว่าไม่ประทุษร้ายเองแล้วก็ไม่ให้คนอื่นประทุสร้ายแต่ว่าในชั้นนี้ไม่ใช่ขนาดนั้นแล้วคือตัวเองไม่ประทุสร้ายแล้วก็เชิญชวนคนอื่นไม่ให้ประทุสร้ายด้วยยกย่องสรรเสริญการไม่ประทุสร้ายใจนั้นมีเมตตาเป็นฐานใจมีกรุณาเป็นฐานใจ เนการลึกซึ้งที่เกิดขึ้นภายในใจของบุคคลพบาะผลของการเพิ่มขึ้นแห่งอาโทสะคือความไม่พึงประสงค์เพราะอาโทสะก็คือเมตตาถึงตามปกติทันศาทุชนทั้งหลายจะพบว่าเราไม่ค่อยพูดเรื่องอาโทสะกันเพราะเป็นคำที่รู้สึกว่าไม่คุ้นหูสำหรับชาวบ้านเราจึงใช้เฉพาะเมตตาซึ่งเข้าใจกันง่ายและจนกลายเป็นภาษาไทยไป ทักทราบกันมาเมื่อไร่ก็พูดกันรู้เรื่องจริงๆแล้วโดยอง์ธรรมก็มีลักษณะอย่างเดียวกันสภาวะของธรรมคำว่าสภาวะคือเนื้อหาจริงๆของธรรมะนั้นก็เป็นอันเดียวกันท่ำนองเดียวกับน้ำที่เรียวกว่ามีสภาวะว่าเย็นแต่น้ำนั้นอยู่ในส่วนใดของโลกมันก็เย็นนี่ก็เรียกว่าเป็นตัวสภาวะหรือตัวเนื้อแท้ของมันเป็นอย่างนั้นบุคคลอาจจะนำไปต้ม แต่จะร้อนอยู่ในโอกาสหนึ่งเสร็จแล้วก็จะเย็นเพราะสภาวะเดิมของแกนั้นเย็นลักษณะของอธโทสะกับเมตตาก็เป็นเช่นเดียวกันคือเย็นความเย็นนั้นได้เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลเพราะฉั้นเราจะพูดว่าเมตตาก็ได้พูดว่าอัธโทสะก็ได้พูดว่าการุณาก็ได้แต่ว่าจะทําใจของบุคคลให้เย็น เมื่อเย็นก็หมดความกระวนกระวายหมดความเร้าร้อนความสั้นสายไปในอารมณ์นั้นๆแล้วพวกนี้ก็ออกมาจนแผ่ไปเป็นพรหมวิหารสีเป็นอัปปมัญญาสีคือกระจายออกไปได้หมดก็ขึ้นอยู่กับปริมาณความรู้สึกที่กอบด้วยเมตตาภายในใจของบุคคลผู้นั้น ก็นี้จะเห็นว่าโดยหลักการของพระพุทธศาสนาแล้วพระพุทธศาสนานั้นพระพุทธเจา้าทรงบริสุทธิ์หมดจดจากอารสวัสิเดชเครื่องซับมองทั้งหลายเพราะนั้นเมื่อนำ ม, มาสั่งสอนพุทธบริษัทของพระองค์ก็ทรงอนุเคราะห์ต่อคนเหล่า น, นั้นทรงมุ่งหมายที่จะให้พุทธบริษัทได้สัมผัสผลเช่นเดียวกับที่พระองค์สัมผัสแต่ราพื้นฐานของบุคคลเหล่านั้นไม่เหมือนกันดังกล่าวแล้ว แล้วก็ทรงแส ด, แดงให้บุคคลมีโลกทัศน์คือการมองโลกในมุมกว้างๆแทนที่จะบีบให้มองไว้ในมุมแคบๆแคบๆปับๆเช่นว่าเป็นชาตินั้นชาตินี้คนบ้านนั้นบ้านนี้เมืองนั้นเมืองนี้จะจะให้มองในแนวที่เป็นสัตตาคือสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงโดยไม่จัดเป็นชาติชั้นวรรณะผ่าพันธุ์แต่ประการใดพระพุทธศาสนาอุบัติ ขึ้นถามกลางสังคมของวันลนะที่มีการถือพวกถือทองมีการรังเกียจรังงอนกันเป็นนันมากแต่พระผู้มีพระภาคกลับไม่ยอมรับความยิ่งใหญ่ของวันลนะแล้วก็สอนให้มองในแง่ของความเหมือนกันความเสมอกันแต่ไม่มีอะไรที่แตกต่างกันในประเด็นหลักชีวิตตั้งหลายใดเชิงประเด็นหลักแล้วมันก็เหมือนกัน เห็นว่าเกิดมาแล้วก็เดินทางเข้าสู่ความแก่จะราคร่ำกระ่าไปด้ยดยลำดับสิ่งมีชีวิตทั้งหลายนั้นไม่มีใครเป็นใหญ่จริงๆมันมีใครเป็นเจ้าของอะไรจริงๆมั่งคั่งร่ำรวยอย่างไรในที่สุดก็ต้องทิ้งของทั้งปวงไปเอาไว้ในโลกนี้ เ, เป็นทรัพย์ของโลกเขาเมื่อก็เหมือนกันใครมีมากก็ทิ้งไว้มากใครมีน้อยก็ทิ้งไว้น้อย แต่ก็มีมากไม่จำเป็นเสมอไปว่าจะจะเป็นสุขประมากมีน้อยก็ไม่จำเป็นเสมอไปว่าต้องเป็นทุกข์เราะน้อยแต่ความสุขความทุกข์นั้นมาอยู่ที่ใจของบุคคลซึงได้สัมผัสผลแา่งธรรมะมากมากหรือน้อยเป็นประการสาคัญโลกนั้นชีวิตของสัตว์ทั้งหลายมันก็วิ่งไล่ความอยากกันไปแล้วก็ชาติหนึ่งก็จบลงที่ตายอีก แต่แล้วก็เกิดมาก็วิ่งไล่ความอยากแล้วก็จบลงที่ตายนั้นในแง่ของความเป็นจริงโลกจึงไม่มีอะไรคือสิ่งมีชีวิตทั้งหลายนั้นไม่มีอะไรเป็นของของตนทุกคนจะต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปนั้นการปรับความคิดให้เห็นในแนวของสัพเพสัตตาคือสัตว์ต่างหลายทั้งปวงเป็นการมองโลกในแง่ของปัญญาหรืออมโมหะได้แก่ความไม่หลง ลักษณะของความหลงนั้นจะพบว่าหลงในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในไวในสถานะตําแหน่งต่างๆก็ถือว่าเป็นเรื่องของความหลงทั้งหมดเป็นอาการหยาบหยาบแต่ความไม่หลงแล้วก็จะเข้าใจถึงสภาพเหล่านั้นตามความเป็นจริงเพราะต้นเหตุใหญ่จริงๆเมื่อสาวลึกลงไปก็จะพบว่ามีสองสายใหญ่ๆด้วยกัน ธรรมปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนามันก็หาวิธีที่จะสอนว่าทำยังไงคนจะเพิ่มไอกุศลและเหตุขึ้นคือฝ่ายของอโลภะอโทสาโมหะขึ้นมาให้มากๆมันจะกลายเป็นกฎของธรรมชาติทานองก็เราเปิดจุดแสงสว่างขึ้นแล้วขจัดความมืดออน้ำสะอาดมาราดลงมันก็ขจัดสิ่งสกปรกได้ เดือเอาสิ่งหนึ่งมาสลายสิ่งหนึ่งเช่นว่าเอาเค็มอยู่แล้วเอาเปรี้ยวมาใส่ข้าวมันก็ความเค็มมันก็จางลงไปหรือเอาน้ําบริสุทธิ์มาใส่ลงไปในเปรี้ยวในเค็มในที่สุดความเปรี้ยวความเค็มก็หายไปโดยลำดับรางธรรมะฝ่ายที่เป็นกุศลถ้าอุปมาแล้วก็เหมือนกับน้ําบริสุทธิ์ที่มีการชาระล้างสิ่งที่ตรงกันข้ามกับตนสลายความเข้มข้นของสิ่งที่ตรงกันข้ามกับตนให้เจือจางเบาบางลงไป แต่ว่าน้ำเกลือจือดก็น้าเค็มน้ําจืดก็สลายน้ําเค็มแต่ในสุดปริมาณของความเค็มมันก็หายไปถ้าหากว่าปริมาณของน้ําจืดมีกําลังมากพอแม้ในการสลายกุศลแลักกุศลก็เป็นเช่นนั้นแต่ว่าทําอย่างไรจึงจะเดินหน้าได้พระเจ้าก็ทรงสอนให้บุคคลใช้ปัญญาเข้าไปพินิษพิจารณาพิจารณาจนยังไงจนเห็นเห็นอะไรเห็นโทษเห็นคุณ เป็นโทษคุณของอะไรในที่นี้ทรงให้เห็นโทษของกรรและเห็นคุณของการออกจากการมันเปรียบเหมือนอะไรคือเหมือนกับบุคคลที่ยืนอยู่ท่ามกลางแสงแดดร้อนจ้าประสบความทุกข์ทรมานด้วยประการต่างๆและต้องเห็นโทษของการยืนยืนอยู่ในที่นั้นเพราะบางคนทั้งๆ ท, ท, ที่ร้อน ก, นก็ยังยืนอยู่ ตราบใดที่ก็ยังไม่เห็นโทษแกจะไม่ไปจากที่นั้นข้อนี้เพิงสังเกตด้วยว่าทำไมจึงต้องใช้คำพิเค็ญคำไม่เห็นต้องเป็นการเห็นด้วยปัญญาไม่ใช่เห็นด้วยตาธรรมดาเป็นการเห็นด้วยปัญญาจาักสุคือตาภายในของบุคคลเ่า น, นั้นถ้าไปจักแจ้งแก่ใจแล้วจะตั้งมีการถ่ายถอนบรรเทาลดละอิเลสให้จางลงไป อย่างในท่านโครงสร้างที่สมบูรณ์ก็จะพบความจริงว่าพระบุญวีภาคีได้ทรงแสดงไว้ตั้งแต่ประสูตรแรกหรือแม้ในประโยคที่สองโดยบุคคลเพิ่มปูนปัญญามองโลกในแง่ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วในที่สุดความเป็นของเราความเป็นเราความเป็นตัวตนของเราก็จะค่อยจางลงจางลงจางลงจนไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีพวกเราไม่มีพวกเขามีแต่ เพื่อนร่วมโลกกันเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอย่างที่สวดมนต์ธรรมวัดกันดังนั้นการมองให้เห็นโทษของกิเลสจึงต้องส่องด้วยปัญญาแล้วก็ประจักษ์เข้าถึงใจตำนองบุคคลเห็นโทษของสุราเห็นโทษของการปันนันเห็นโทษของอบยมุขข้ออื่นๆหรือเห็นโทษของการทำอะไรลุกอานาจแก่อารมณ์ของตน แล้ประสบผลแสบเป็ดเดือดร้อนเพราะการกระทําเหล่า น, น, นั้นจนเกิดอาการอย่างหนึ่งที่เราเรียกว่าหลาบจําเหมือนกับคนที่เคยถูกงูกัดก็จะคอยระมัดระวังไม่ถูกงูกัดอีกเป็นครั้งที่สองเพราะเคยประสบความทุกข์ระมานที่เกิดขึ้นจะถูกงูกัดมาแล้วในกรณีนี้ก็ทรงสอนให้มองเห็นโทษของกามาราคะ แตในเชิงก็การปฏิบัติบุคคลพึงเข้าใจว่านี่เป็นปริยายของธรรมะพราะใจของท่านเจตุกันนีพร้อมที่จะฟังโทษของกา玛ราคะเนื่องจากท่านเริ่มนายในสายกามราคะแต่ถ้าเทศแบบเทศกับคนอื่นก็จะเทศอย่างอื่นก็ได้บอว่าเธอจงมองเห็นโทษของโทสะความปุถุสไรการเบียดเบียนกันการนิษยาอาฆาตกัน ก็เห็นโทษของกิเลสก็แเพราะอย่างที่บอกแล้วว่ากิเลสนั้นที่จริงมันเป็นกิ่งของอวิชชาอาวิชชาเป็นต้นรากของกิเลสทั้งหลายว่าจะตัดในตรงไหนก็ตามแล้วจะกระเทือนถึงทั้งหมดเลยทางด้านเพิ่มและด้านลบคือกระเทือนถึงกันหมดเช่นเพิ่มโลกโกรธขึ้นมาโมหะก็ต้องเพิ่มตามซึ่งก็หมายความอวิชชาเพิ่มตามไป แต่ถ้าลดความโลภความโกรธความห ล, ลงลงมาอาวิชาก็ลดไปแต่ในขณะเดียวกันบุคคลก็จะมองเห็นภาพอีกด้านหนึ่งคือความไม่โลภเกิดเพิ่มขึ้นความไม่โกรธเพิ่มขึ้นความไม่หลงเพิ่มขึ้นวิชาเองก็เพิ่มขึ้นแต่ไม่เหตุผลที่จะวิเคราะห์วิจัยสิ่งเหล่านั้นชัดเจนมากเกิงเกิ น, นทุกเรื่องจึงทรงสอนให้มองเห็นโทษเป็นการบอกในลักษณะเป็นการบอกทาง อาจจะว่าติดอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งโดยเฉพาะคือสิ่งที่เข้าไปเกี่ยวข้องนั้นจะมองเห็นในเชิงที่เป็นโทษโดยความเป็นโทษมองสิ่งที่เป็นคุณโดยความเป็นคุณแล้วก็พยายามสัมผัสผลในฝ่ายที่เป็นคุณพยายามหลีกหนีผลในฝ่ายที่เป็นโทษจึงทรงสอนให้เห็นว่ามองเห็นเนกขมะคือการออกจากอํานาจของกิเลสกาบว่าเป็นทางแห่งความเกษม แล้วถ้แสดงกับคนอื่นก็อาจจะรับสังว่ามองเห็นโทษของการออกจากความพยาบาทเป็นทางกเกษมมองเห็นโทษจากการออกจากโมหะเป็นทางกเกษมก็ได้เพราะว่าที่จริงแล้วก็คือมุ่งผลในการที่จะให้เห็นโทษของความไม่ดีเห็นอนิสงหรือผลอันดีงามประเสริฐของความดีนั่นเองเป็นการเลือกทางเดินทํานอง คล้ายคลายกับบุคคลที่เดินมาในทางแยกสองทางก็มองทางนั้นจากจุดที่จะย่างไปจนถึงปลายทางว่ามันเป็นยังไงและในที่สุดก็วิเคราะห์วิวินิจฉัยด้วยตัวเองตัดสินเลือกทางเหล่านั้นด้วยตัวเองแล้วมาเดินไปในทางในสายที่เราเลือกแล้วก็ทรงแสดงเป้าหมายเอาไว้ว่าจนกิเลสที่เป็นเหตุกังวลนั้นได้ออกไปจากใจของท่าน คือหมดไปสิ้นไปจากใจกองท่านกิเลสเป็นเหตุให้กังวลหรือกิเลสเป็นเครื่องกังวลซึ่งก็หมายความว่าถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้ความกังวลไม่มีคราวนี้พึงดูตัวอย่างว่าถ้าเรามีทรัพย์เราก็กังวลด้วยทรัพย์มีบุตรก็กังวลด้วยบุตรมีบ้านก็กังวลด้วยบ้านมีงานก็กังวลด้วยงานถ้าไม่มีแล้วก็ไม่มีความกังวลสิ่งนั้นเป็นวัตถุกรรมไม่ใช่เรื่องของกิเลสกาย แต่ถามว่าตัวการใหญ่มันอยู่ตรงนั้นหรือว่าอยู่ตรงไหนก็ไม่ได้อยู่ตรงนั้นจริงๆก็อยู่ที่ใจซึ่งมีไปกำหนดที่ทรงใช้คำว่าอุปาทานคือไปยึดไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้นเอาไว้ถึงบางครั้งบางคราวทาัทง้ทงๆ ท, ที่รู้ว่าแม้จะไปกังวลก็แก้ไขปัญหาอะไรไม่ได้แต่เพระาะโมหะแก่เกิดขึ้นมีกาลังสูงปิดบงังปัญญาเอาไว้ก็ยังอุตส่ากังวลอยู่ เช่นเรตัวอย่างว่าลูกหลานไปทํางานในที่ไกลกังวลห่วงใยว่าแกจะเป็นยังไงจะทํางานได้ไหมจะสุขทุกข์อย่างไรสมมติว่าแกสุขเราก็ไม่รู้สมมติว่าแกทุกข์เราก็แก้ไขอะไรให้แกไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันเราก็หาความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความมีตกกังวลมาใส่ใจตนเองเพดังการวิเคราะห์ในแต่ละจุดนั้นต้องวิเคราะห์ให้เห็นทั้งรูปธรรมและนามธรรมา แล้วก็เลือกในไฟล์ที่จะทำให้จิตใจของตอนเองห่างไกลจากอำนาจของกิเลสอำนาจของความทุกข์โดยลำดับคือเท่าที่สามารถจ ะ, จะทำได้ด้านวิธีการเหล่านี้จะพบว่าจะทรงแสดงแก่มนุษย์เกือบทุกคนเพราะพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งเหตุผลและสติปัญญาซึ่งบุคคลจะต้องใช้ปัญญาพิจารณาทุกกรณีที่เข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์ แล้วเมื่อใช้ปัญญาเดินเต็มตามเป้าหมายที่ทรงแสดงเอาไว้ก็จะสามารถเจือจางเบะบางจะสามารถทำให้กิเลสเป็นเครื่องกังวลคือตัณหามานะทิิให้เจือจางปบาบางลงไปได้โดยลำดับแล้วก็จะสัมผัสความสงบได้โดยลำดับเช่นเดียวกันต่อจากนี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสุดต่อไป